ใครว่างๆต่อไปนี้เป็นปฏิบัติที่อินเดียถ้าว่างๆนะที่เมืองอะไรที่ท่านอาจารย์โคเินกาท่านไปสร้างเจดีมหาเจดีใหญ่ที่สุดในโลกนะมหาเจดีใหญ่ที่สุดในโลกบรรจุได้แปดพันคนนั่งสมาธินี่กี่คนเนี่ยสี่สิบห้าสิบคนก็เต็มประมาณ ศาลาหลังนี้ที่นี่แปดพันคนนะในศาลาในในมหาเจดีย์อันหนึ่งยี่คณะทัวไปต้องไปไปแวะทำสมาธิเข้าไปนี่มจะเห็นหมดลอทั้งโวกศีสะไม่โวกทั้งซิคิดอิสลามพราหมณ์ฮินดูเต็มไปหมดทั้งพุทธทั้งอ็เรว่าที่ทำสมาธิไม่จำกัดจนชั้นวันนะเชื่อชาติาาาศาสนาภาษาวัฒนธรรมเข้าไปได้ กับศาสนาพุทธเรานี้แหะจริงๆแล้วก็ไม่จํากัดคนไหนีจะมีความรู้สึกตัวคนนั้นก็สามารถเข้าถึงธรรมได้งั้นคนกวาดขยะคนมีความรู้เหมือนมีความรู้อันไรกันเข้าถึงธรรมอะไรลูกตาถามหน่อยมาถึงชั่วโมงนี่เราคิดว่าตายแล้วเกิดไหมืม เอาใครว่าตายแล้วเกิดยกมือขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเอาใครว่าตายแล้วศูนย 50, 50, น์ยกมือขึ้นตายแล้วหายใครว่าห้าสิบห้าสิบไม่มั่นใจเอายกมือขึ้นมีนะหลวงตามีกรณีศึกษาให้สามสิบสามคนพวกนี้จะมายืนยันว่าตายแล้วเกิดแล้วมีอีกหกสิบสี่คน มีคนนี้มายืนยันว่าตายแล้วตายแล้วตายตายแล้วไม่เกิดบวกกับว่าเธอเมื่อกี้สี่คนไอ้พวที่ตายแล้วเกิดนี่ยังไม่ได้ตายดูเลยหรือว่าตายแล้วเกิดพวกที่ตายแล้วศูนก็ไม่กล้าเพตายแล้วพวมไม่นจะเกิดนีือกำลังสนุกอยู่พอดีก็น่ามีอตายเลยหายไปเดี๋ยวมันไม่ได้มาเกิดก็แย่พวกนี้หมายถึงมีรองผู้อำนวยการที่มาคุยประชาราชนโยบาย คนหนึ่งก็วิลเลยเกษตรกรรมทิ่งลายคนหนึ่งก็วิเลยการอาชีพว่าผู้าาชายฉ่าฉานแม่ทุกวันนี้คนมันไม่ค่อยเชื่อนะว่าตายแล้วเกิดแต่ถ้าปฏิบัติมาถึงจุดหนึ่งเหมือนผมนี่จะรู้สึกบันทีว่าตายแล้วต้องเกิดเอา้ามามาดไหนนอแนน อ, นนอวะมาถึงจุดหนึ่งจุดไหนนี่จุดงมงาไงนะหรือเปล่าไม่รู้ดวงตาก็นั่งฟังจนเขาว่าจบนะ ดูเหมือนนึกว <Schwe birth> <laughs> ่าเขาจะมาสนทนาธรรมเขามาอบรมพระแล้วก็ฟ <se> <in love> <information> ังท man ุกวันนี้เด <inator> ็กมันเป็นอย่างนั้นเด็กมันเป็นอย่างนี้จะบอกว่าเขาเนี่ยระยะหลังมาเนี่ยผมเอาใจใส่เรื่องปฏิบัติธรรมมากตื่นนอนแล้วนั่งสมาธิทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงเป็นประจำหกชั่วโมงเดียวเองเนาะก็เลยตาม อ, อันชั่วโมงเดียวนะมันเป็นสมาธิกี่ชั่วโมงกี่นาทีหลับกี่นาทีอันชั่วโมงเดียวที่ตื่นมาทําเลยงเนีมันยังแยกออกไปได้จะพิ่งฟังแล้วจบได้ถามว่าผมทําสมาธิทุกวันตื่นนอนไหม่วันละหนึ่งชั่วโมงแยกออกไปเป็นความห่วงเท่าไหร่ความฟุ้งซ่านเท่าไหร่ได้สมาธิเท่าไหร่ไม่ใช่ได้รูปแบบมันปุ๊บนั่งอยู่บนที่นอนนะเอผ้าคลุมโปองอยู่ทําเป็นสมาธิรูปแบบมันไม่ใช่ เรารู้อะไรบ้างเห็นอะไรบ้างไว้ถามแต่เริ่มถามเรื่ไปก็เริ่มเริ่มเริ่มจะอ่อนอ่อนลงแล้วพอแยกแยะอันนี้เราได้อะไรบ้างคือเราจะสามารถเห็นตัวตนของเราเองเมื่อเห็นตัวเราเองอะไรถูกอะไรผิดอะไรทําดีทําชั่วอะไรทําเพื่อสังคมอะไรเป็นยังไงสังคมมันเลวร้วายเพราะอะไรเงี้ยเราจะเริ่มเข้าใจชีวิตเราเในว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ายิ่ง ทำสมาธิยิ่งปฏิบัติทรรยิ่งเป็นอนัตตายิ่งไม่เห็นอะไรเลยทาไมยอมเห็นเยอะจังต้องลองถามดูเฉยๆหรอกถามเพิ่มถามเพิ่ถ้าคนรู้มากมายเราก็จะถามแต่ถ้าคนไม่รู้มาเราก็จะสอนพอเริ่มเข้าหลักไหนยเขาก็จะเริ่มเหยบดนุ่งียบนุงๆๆน่งเื่องเรื่องปฏิบัติธรมรมปัจจุบันนี้ปัญหามันมากปัญหาอะไรปัญหาคนปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อมมันไม่ค่อยดีคนเลยไม่ค่อยปฏิบัติธรรมเด็กโอ๊ยอยากจะทามาปฏิบัติธรรมผมคิดใหม่แล้วก่อนไปนี้ต้องเอาครูนะ่ะเอาอาจารย์เขามาปฏิบัติธรรมก่อนแล้วค่อยขยายไปที่เด็ก อ, อโยมจะมาปฏิบัติธรรมาไหมเป็นรองที่ใจก็คิดดูก่อน <c oughs> เอาเ <c oughs> อางี้เรากั น, วกนชวนไว้ปีหน้าเวลานี้ปีหน้าโอนะ๊ยเน้ พอถึงเวลาไดูจ้โทัวมาถามาไปทุกเราผมไม่หลักการนะ่ะมันดีแต่ว่าวิธีการที่จะทำํำมั น, มนยากนี่อาจารย์ได้ถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาถ้าว่าเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมมันไม่ดีมันต้องหาเหยืํามาหาที่ต้องนั่นตรงนี้สภาพแวดล้อมสังคมมันไม่เอออํานวยสังคมนมี่ปลิตผิไปมันไม่เหมือนสังคมสมัยพุทธกาล ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลคนปัจจุบันนี้จะเข้าใจธรรมะมากเทวันลองถามว่าผูกบ้างหรือสักห้าเอร์เซ็นตสิบเเซ็นต์เทเทียงรายกับคนกรุงเทพเนี่ยสังคมมไหนมันหนาแน่นกว่ากันเนี่ยกรุงเทพนะท่านคงกรุงเทพกูยังมาปฏิบัติธรรมได้เนี่ยสังคมบ้านนอกเล่อๆลแหละดีกับสังคมในเมืองอย่างพวกหมอที่เข้ามาปฏิบัติธรรมสังคมไหนมันหนาแน่นกวกันสังคมในเมือง เขาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือคือพวกคนกรุงเทพเนี่ยเขามีอะไรเพียงพอแล้วเขาไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะชีวิตเขาเนี่ยเขาเลยมองเห็นว่าต้องปฏิบัติธรรมคือทางวัตถุทางอะไรเนี่ยเขาเพียงพอแล้วบ้านนอกเนี่ยสักวันหนึ่งเขาต้องก้าวไปถึงจุดนั้นแล้วจะเหมือนคนกรุงเทพที่มีเวลาว่างมีโนมิ น, มนิเขาค่อยมาปฏิบัติธรรมตอนนี้คงคงยังไม่ถึง ตายเลยว่ามันอะไรเป็นเครื่องวัดว่าจะพอเนี่ยผู้ศาสนาอันนี้เขาให้ข้างนอกซะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นหมือนจิตวิญยาซิมมอนฟลอยเลยข้างในซเจ็ดสิบห้าเขาเจ็ดห้าก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยช่วยแต่เวลาไปพูดกับพระพุทธองค์เนี่ยถ้าพูดอี้ปุ๊บท่านว่าไม่ใช่เลยนะถ้าคนเห็นแบบหนึ่งท่านจะเห็นแบบหนึ่ง ในมุมที่เราไม่มองท่านจะบอกให้มองบนที่มองไม่มองแต่ถ้าบอกว่าเราบอกว่าอีกแบบหนึง่งถ้าจะให้มองอีมุมหนึ่งที่เราขาดหายไปแต่ถ้าเราเฉยๆซะท่าที่จะสอแบบตรงๆเป็นสัมมาทิฏฐิเลยสมมติว่าคนนี้มันจะหลงไปมองด้า น, นนั้นด้านนี้เลยพาะจริงๆคนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอยู่ที่การ อาจารย์เล่าให้ฟังเด็กปหกนูหนบอกแค่นึงนะโดยดปฏิบัติความคว่ามีชื่ออะไรไม่ดีชอบเกิดปฏิบัติกับรมอคนที่พวกสาวของปอเออพกศน่ะหลานปุณวันปหกที่มันไปอยู่ฝึกด้านหลังที่มันมันบอกว่าลูกตาทํานที่จะหายตัวผีปหกเองนะแต่มันมีความอยากรู้ลึกมากที่แรกมันนั่งอยู่ด้านหลังนู้น ฟังเพียดฟังทำเลนแต่พอวันต่อมาเนี่ยเขาจะเริ่มขยับขึ้นมากขึ้นแบขึ้นมาแค่วันที่สองที่สามตอนแล้วเขาจะนั่งหน้าแล้วคือ <c oughs> เขาเริ่มมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งหน้าแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งหน้าจะเลื่อนถอยลงไปถอยที่ด้านหลังแล้วเขเหยียบขาทำโน่นทำนี่ลุกไปเหวี่ยวบ้างหากินนั่นที่นี่ตามเรื่องบ้างมันจะนิ่งขึ้นมามันปฏิบัติแค่แค่หกวันแหะรู้แจ้งเรื่องสมมุติไอ้นี่ คือมันขยันแล้วมันเข้ามาใกล้ามากเวลามันไปเดินจกกุกงก็เดินเดินเหมือนยมส า, ารคือมันตั้งใจมากในการทำเงแต่ก็เข้าใจคือจริคนปฏิบัติทําไม่ปฏิบัติทํามันมันไม่อยู่ที่เลื่อนไขของสังคมเท่าไหร่นะมันอยู่ที่ปัญญาแล้วเรามีเพิ่มมานี่เพราะอะไร มันยังไม่เข้าใจคำถามเลยนเนี่ยที่มาปฏิบาธรรมมาทำมาเนี่ยวขาดใจค่เพียะไม่รู้อีกแล้วรู้รู้รู้ตรงนี้อยากฝึกสติเพื่อช่วยตัวเองนเนี่ยนเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีปัญญาคนมีปัญญาคือมันอยู่ที่ปัญญาของเรานะหรือไม่ใครจะชวนก็ตาม แต่เราก็ต้องมีปัญญาสังเกตและพิจารณาตามที่เขาชวนนั้นว่มันจริงไม่จริงอ่ะเราที่มาเนี่ยเราคิดว่าเราควรจะได้อะไรจากการมาเนี่ยแล้วมันตรงรองเขาค่ะว่าเขาอ่านฉลากยาให้ฟังยานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยดเยียวยาพออ่านจบโอ้ตรงกับโรคที่เราเป็นเลยว่ะเราลองไปดูอ่านฉลากมันเรื่อไปนี่นี่ก็เหมือนกับเขาพูดว่าปฏิบัติทำแล้วมันดีอย่างนี้ น, นนะต่อฟ้าแล้วจะถูกเลขนะกลับไปนี่ หมวยรางวันที่ท่นเ้ยมือนกับคนที่ไม่มีเลยนะที่จะไปถ่ายมันเป็นปัญญาแบบนึ่งนะความคิดเนะอิกใจกลับมาแล้วอิตใจจะสบายหรือว่ามันน่าจะได้ความรู้ส่วนที่ขาดหายไปสําหรับชีวิตนี้เราก็มาคือมันอยู่ที่ปัญญานะี่ยจะบางคนนี่ปัญญาไม่พอนะไม่ได้หรอกลกูกมีอะไจะกินอะไรหวยจะกินอะไร งานงานขาดไปอย่างโน้นนี้อะไรต่าแล้วก็อ้างอย่างนี้ทั้งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีจนตายเวทีเลยออกไม่ได้กิเลสไม่อนุญาตจริมันมันมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่หรอกเกี่ยวกับวปัญญาเลยทุกคนนี้บริหารไม่เป็นยีิบสี่ชั่วโมงสามวันหกสิบห้าวันบริหารไม่เป็นพอบริหารไม่เป็นพรอะลรเพราะเพราะมันยังไม่เกิดยวกบสัมมาทิฏฐิไม่เข้าใจชีวิต ว่ามันเกิดมาเพื่อเอาอะไรอะไรที่ควรจะได้ไอ้ทุกข์ที่ผ่านมามันยังไม่พออีกเหรอคุณจะให้ทุกข์มันสอนอีกกี่ครั้งกี่ปีกี่เดือนกี่ชาตินะคุณกึงจะรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าเราสมมุติเหตุผลสมมติทางสังคมมาอ้างตามความอยากมันก็จบไม่เป็นลองอ้างดูดิไม่มาเพราะอะไรเพราะอันนั้นเพราะอันนี้น้ยเพราะมากมายหลากหลาเขาก็บอกว่าเพราะสังคมมันมันมันไม่ค่อยดี อย่างนี่โน่นตาว่ามันมันไม่เท่บางทีมันไม่เกี่ยวกับสังคมเท่าไหร่สมัยพุทธกาลในสังคมวุ่นวายคนก็ออกบวชเดยอะแยะในขณะที่เที่ยวกันที่สังคมดีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าก็ออกบวชแล้ววันนี้ก็บอกว่าต้องไปอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกสังคมในเมืองมันไม่สงบสงัดเลยมันไมเกิดเป็นบางทีมันไอความไม่สงบสงัดเนี่ยเห็นความวุ่นวายอย่างพยัสสักพยัสสักนะชื่อท่านยศพยศ กลางวันมาอา้าวมีแต่คลน์นเปลือกกลางคืนมามีแต่พินแคนซอบอลเลยอยู่ในกลิหนะเป็นเศษฐีอ่ะแต่วันวันหนึ่งถ้าเกิดความเบื่อหน่าขึ้นมามันถลอยหลับไปก็ตื่นมาตรงกลางคืนคนอื่นก็หลับมั่ตื่นมางคืนมั น, ออมนวิ่งว่งวังวินตอนกลางวันตอนก็เป็นแบบคือจิตมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะสลบ ถ้าพิจารณาแบบโยนิโสมานิสิการเนี่ยสังเกตดูชีวิตครอบครนะัวหน้าครบครัวหลังกลับไปกลับมาว่าที่จริงมันไม่ได้มีอะไรแต่เราคิดว่ามันมีอะไรเราหวังเองกับลาบยศสารเสื่อรูปลดกลิก่นเสียงลาบยศสารเสื่อมเพื่ออะไรเพื่อไปเอานําเป็นอำนาจต่อรองต่อรองสว่วหญรูปรดกลิ่นเสียงเอามาเพื่ออะไรเพื่อมาให้เราเองเกิดความพยายามอย่างแต่ว่าเกิดที่เท่าไหนมันก็ดับไปมันก็ดับไปก็หาไมา่ ต้องที่เดยได้รา บ, ยบเยอะสารเสพนสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพื่ออะไรเพื่อมาต่อรองเอาวันนี้เราทําอย่างนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยคนจะแก่ตายแล้วแต่และคนก็จะไม่เห็นได้อะไรมีความทะยานอยากในข้างหน้าเรื่อยๆทําไมเราไม่สักัดไม่เรียนรู้เรื่องของจิตที่มัเกิดอาการทะยานอยากโตรงเลยทําไมก็ปัหาเหตุจากใจนั่นก็เลยว่า้องหาให้มันพอเมื่อไหร่มันจะพอบอกว่าสังคมด้านนอกเนี่ย ทำไปดูแลทังว่ามันมีความพอพอใจเหมือนกับคนทั้งหลายทั้งพร้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเขาพอถึงจุดนี้แล้วเขามาปฏิบัติธรรแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ไปถามดูคนแต่ละคนเขาไม่พอหรอกแต่ละคนหนึ่งยิย่งพวกหมอนี่เขามาปฏิบัติธรรมได้นเขาขาดอะไรได้เป็่มขึ้นหลาเนี่ยเปิดคลินิกเปิดโน่นเปิด น, น, นี่แล้วต้องทนกับความพลรหายจากคนอื่น ท, ทิ้งงานทิ้งงานไอ้หนุ่นนี้มาแหน่หลากหลายรายได้รายจ่าย แต่เรคนมันมีมดนะ น, นี่แต่ก็มาเพราะอะไรเป็นเรื่องของปัญญาเขาคิดว่าสิ่ที่เขามาเนี่ยเข ต, ต้องได้มากกว่าสิ่ที่เขาได้ก่อ น, น่มันต้องมันต้องตอบโจทย์ปัญหาชีวิตอันนั้นก่อนหรืออย่างนี้แน่ก็คือเป็นการท้าทายไม่คิดว่ามันจะได้ดีกว่าแต่ก็มีความเชื่ออยู่ในอี้ว่าปฏิบัติแล้วแม่จะดีอะไรดีเขาจึงมาเป็นผอจึงมาทํา คือมันเป็นเรื่องของปัญญาอย่างที่วนะ่าเป็นเรื่องของปัญญาแต่บางคนที่มีทิฏฐิมานะมากสะดวกสบายอย่างพรามณ์พระวรวง์เป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรพระสันชั ย, ยนะพระสารีบุตรพระโมคคัลละพอมาได้ดวงตางเห็นธรรมจากพระอัศจรรแล้วกลับไปชวนอาจารย์ คนดึงเป็นใจใจมากก็จดปิอง่านบอกว่าใครทำหนังหรือเสน่ห์ันาจะด้ปัญญด้วยความรู้อย่านี้เนคนในโลกมีคนโง่หรือคนฉลาดมากกว่ากันเพราคนโง่มากกว่าคนฉลาดเออันจะหาจริงปกติโง่มีแต่เชื่อไปอยู่แต่คนฉลาดแค่สามสัปดาหสักแต่พระพุทธเจ้าที่ยู่นี้บริหารใส่สมัยขึงคนใจที่ทีนี้มีคนไปบอกแต่เขาก็ไม่เชื่อนะไม่เอาจะไม่มาอย่างพามภาวาี ได้ยินมาพรกพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกคนนั้นกว่าคนลูกกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนเก่งคนเข้าถึงธรรมแต่ริ้วิญญาณธรรมได้เอา้าตั้งแต่จริงหรือไม่จริงเนาะคนนั้นมาเล่าให้ฟังคนนี้เลาให้ฟังก็รู้สว่ามันจะเข้าใจวันหนึ่งก็เลยตัดสินใจเอา้าพบปัญหาให้เอาปัญหาให้คนละสองข้อสองข้อสองข้ อ, ขอให้กับลูกศิษยสิบหกคนไปถามปัญหา คนที่อ้างตัวเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะตอบวันนี้จะไม่สามารถตอบได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยอมรับละแล้วก็ไม่ให้คนโง่ในลูกศิษย์สำนักไปถามด้วยเพราะว่ากลัวเวลาพระพุทธเจ้าย่องยองกับคือมันจะถ่ายหน้ากลับมาเลือกเอาคนระดับถ้าเป็นพระก็เหมือนอาจาหมอก็ชุกชื้อมองไปเอาคนจริงๆเลยระดับสิบเอกสิบหกคนไปนับเลหนึ่งสองาตั้งแต่โมคราช ตัวเทียะพิงเทียะมานะพิงเทียะก็เป็นหลานชายนะเจ๋งมากหลานนี้ก็ตายสิบหกคนเป็นเป็นสิบนีถือว่ามันคืนจนต้นเนไปหาพระพุทธเจ้าพยายามถามนะยอกย้อนประเด็นนประเด็นดนี้เอาจกนกระทั่งว่าพระสมณะโคโดมเหงยแตกออกจากเจ้าแหล่เลยนะเขาก็ไปนะที่ตอบปัญหาแต่ก่อนเนี่ยเวลานั่งฟังเนี่ย คนมันจะเยอะมากน้ำเงื่อจะไหลนี่หมด่ะถ้าตอบไม่ได้เราคนมันเยอะจนไปนั่งฟังตลอดเวันเวลาปรากฏว่าก็มีคนไปฟังเ้าก็ถามปัญหาถามปัญหาทีละข้อทีละข้อทีละข้อที่คนที่อ้างว่าเป็นพระสัจธรลองตอบอยู่ดิเขาก็ถามว่าทำย่างไร มัตจุราชจึงจะมองไม่เห็นเอาดิพวเธอตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นปรานาะสาทดาของเขาเลยเนยะเป็นลูกศิษย์พระพุทธญาก็น่าตะอตอบได้แล้วนะอนั่งสร้างจังหวะมองไกลๆอันหนึ่งนะปัญหาข้อหนึ่งที่เขาถามอีก่ตอนหนึง่งคืโอโลกนี้สัตว์ในโลกเนี่ยถูกอะไรฉาบทา ถูกอะไรฉาบพาอะไรห่อหุ้มจึงไม่เห็นสัจธรรมพขาเขามีแต่คำถามที่ถามดีๆแค่นั้นนะแต่ปรากฏว่าคำถามที่ถามแล้วก็ฟังคำถามถามแล้วก็ฟังฟังไปฟังไปปรากฏว่าพระพุทธเจ้าท่านมีมีเรียกว่าอะไรเรียกว่จิตนิยาแล้วคนแรก ที่ถือว่าเก่งที่เป็นหัวหน้าจะถามอยู่พอเข้ามาพุบกลับข้าพเจ้าใครขอเรียนถามว่าพี่อยากถามแล้วอวดภูมิหนึ่งเพื่อเธอไว้ถามทีหลังให้คนนี้ถามก่อนนี่ไม่ให้คนนี้ไม่โอกาสอ้าวเจก็หงุดหงิดดิคือดูอาการถ้าไม่เคารพถ้าไม่ขุยด้วยพระพุทธเจ้าจำเหมือนเป็นคนผู้รู้มากมายลหลากลทีนี้พอคนที่สองถามเสร็จปุ๊บคนที่หนึ่งนั่นก็ตั้งใจว่าจะถามอีก พอถามมาสองสามผู้เย้าเธอหยุดก่อนเดี๋ยวไว้ทีหลังทีนี้พอถึงสองครั้งเกไม่ถามเลยจริงไม่ถามเลยคือคําถามที่เกจะถามน่ะพอฟังหมดผู้คาถามแล้วมันจะตอบคําถามของเกได้เลยพาที่เกยก็ไม่ถามคือเกจะตั้งใจฟังถ้าฟังคําถามของเกแล้วเกย์จะโต้แย้งถามโน่นถามนี่คิดดูนะแล้วคนอื่นอาจจะไม่ได้ถามเนี่ยจนกระทั่งมาถึงอ่าว เป็นคนที่สิบหกเลีจริคนที่สิบกเขาก็ผ่านปัญหาการเป็นดีแต่สาระที่จะเล่าให้ฟังคือในที่นี้ก็คือคนสุดท้ายเนี่ยท่านบอกว่าตั้งใจฟังนะ เวลาตอบปัญหาตอบโน่นตอบนี่มาคนนั้นกับบรรลุธรรมคนนี้กับบรรลุธรรมว่ามีแต่คนมีปัญญาเนี่ยที่ส่งมาถามนแต่พอมันถูกคําถามพวกนี้จะทําสมาธิมานานคือคนจะเจริญสติอยู่เรื่อยเรื่อ ย, อ ย, อยสติมันเข้มแข็งเนี่ยมันละลึกรู้มันถูกจังหวะพอพูดอะไรให้ฟังในจิตมันมันจูนสู่ความเป็นกลางมันจะปิ้งขึ้นมาดูที่เกิดการบรรลุธรรมเหมืนนอนขณะคนที่นั่งสร้างจังหวะอยู่ในที่นี้เนี่ยคือเขาจูนใจเขา ไม่ก็มาฟังองค์ศาพูดนะฟังเล่นๆไปแต่ให้รู้สึกอยู่ที่มือนี้มันชัดๆที่สุดพยายามประคองอลไรลึกๆไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เพราะถูกจังหวะมันจะเกิดการบรรลุธรรมเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาสมัยพุท ธ, ธกาลนี่เขาทาสมาธิสมาเยอะเวลาไปฟังพุท ธ, ธิยถาเทศเนี่ยมันจริงมันจริงเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาทันทีแต่คนปัจจุบันนี่ขนาดมาพดดูด่ดาว่ากล่าวของยังเหงายังง่วงหรือบางทีก็ยังคิดถึงบ้านคิดถึงเรื่องคิดถึงนั่นถึงนี่อยู่ มันก็เลยไม่ได้นั้นเวลามาฟังก็นั่งสมาธิก็หลับไปซะจิตไม่มีพลังนั้นเรามาฝืนตัวเองเลยรู้ตัวเองเนี่ยมันเป็นการสร้างพลังฝืนในความรู้สึกให้มันอยู่กับปัจจุบันมากๆพอมาทอ ม, าา ม, มันก็เกิดการจำแงขึ้นมาเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดปัจจัติเกิดอุเบกขาเกิดรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมามันมันจะรัดสั้น มีกว่าที่เราจะไปเดินตัวกลมหาอารมณ์อยู่แน่นบางทีถึงตอนนั้นมั น, ม น, มนเคร่งเครียดเกี้แต่พอมาทำตรงนี้ฟังบ้างอร่อยบ้างอยู่ที่ฟังบ้างที่นี่บางอะไปมามันผ่อนคลายมันก็เกิดขึ้น ม, มันพร้อมที่จะเกิดได้ทุกขนาดที่อยากให้ทําไปนิดเดีวยวถ้าลองามันไม่เสียเวลานะแลต่ก็ทําถูกได้ด้วยไอ้คนเนี้ยคนหลานคนที่สิบหกเนี่ยฟังว่าถุที่ยาพูดเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดที่มีอันพอเพราะเท่านั้นเละแล้วก็ถูกต้องวัดทุกเรื่องเลยยิ่ความทราบซิ้งมากข้เนี่ยยิ่งฟังยิ่งใจยิ่งและลึกถึงหลลุงเนี่ยพราหม์พาวารีผู้เป็นอาจารย์ที่แม่น้ําโกทาวรีที่สั่งมันลงลุงเนี่ยลุงเนี่ยเป็นคนเป็นอาจารย์เนี่ยเขาเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมขนาดผูกปัญหามาให้คนละสองข้อนี่ยก็ยังลึกซึ้งขนาดนี้ ถ้าเขามานั่งฟังเองตั้งใจเลยรลือู้เข้าใจเองเขาจะบรรลุทำได้เลยอะนึกถึงโอ้ยมันทำไมนี่มานาะอะไรเนี่ยเครื่องอัดมก็เรียกว่าอะไรอีโฮเคืออัดมันอะไรเอฟเอเอไม่ใช่ ออไอซีฉันก็ไม่มีมาอาัดไปฝากอาจามมันเป็นคนรุ่นเก่าเนมะืค่อยรู้ผนมะไม่ได้ถือมาปิงเคียมานกนยไม่ได้ถือมาพวกเขาเรียกว่าไอซีเลยนี่ะถดนี่จากอินทีก่อนสามาเอเนี่ยดี๋ยวตอนนี้ไปไกลแล้วยุคปัจจุบันนี่เผือไม่ได้เลยเดือนหนึ่งข้างไปไม่รู้เรื่องของเขา แต่ก่อนไม่มีเทปไม่มีดีซีดไม่มีโน้ตมินิที่จะอัดวิดีโออะไรี้คนนึกถึงอาจารย์เนี่ยเพราะพื่อนๆาฟังเทียท่านจะเพียในฟังเล่าเรื่องนั้นแปลความหมายอั น, นี่ไอ้ น, นี้แก้แก้ทําตอบคำถามเสร็จสิบหกข้อสิบห้าคนบรรลุพระอรหันต์คนสุดท้ายในมัวแต่นึกถึงอาจารย์อยู่อาจารย์หลงเลยได้บรรลุสุตบันดูดิยัดไปข้างนอกห่ยเดียวเท่านั้นนะ บอกว่าสร้างจังหวะฟังไปด้วยดันไปนึงถึงอาจารย์จะไปนึกถึงใครมาอยู่ที่นี่บางคนนึกถึงว่า อ, อย่าไปชวนคนนั้นมาฟังด้วยแต่คนนีม้มาปรึกษาเราก็แทบตายอย่าไปชวนใครแต่เวลาเดินจุกงก็คิดนะพาลูกไปบวชนําเพลินบ่จะพาไปเรื่องขนาดแม่มันก็ลําบากแล้วนี่ครับลำบาก จะไปคิดถึงใครคิดถึงจะปัจจุบันคิดถึงทำก็ไม่ได้คิดถึงอะไรก็ไม่ได้ให้ใจว่างๆคนนั้นก็จะเห็นธรรมนั่นมันอยู่ที่ปัญญาปัญญาได้มาจากไหนได้มาจากการทำจิตที่เป็นตังกลางว่างๆใจว่าง ๆ, ใ จ, างๆใจสบายๆใจเฉยๆอยู่ปัจจุบันพอมันเฉยอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องระลึกรู้ให้ต่อเนื่องนะม ไม่ใช่ว่าเฉยๆแล้วก็อยู่เฉยๆแบบนั้นไปเราเฝ้าเฉยๆมันไม่ใช่ไม่ใช่เราเมาเฝ้าตัวเฉยๆน่ยนี่แต่เฉยไม่เฉยก็เช่างมันแต่พยายามระลึกรู้ตัวให้มากขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกว่าการเจริญสติสติแปลว่าระลึกรู้เจริญเราก็ทําให้มากๆเจริญสติก็คือทําสติให้มันมากๆไม่ใช่มาเจริญความคิดนะนี่ความคิดไม่ต้องมาเจริญหรอกเจริญที่บ้านกันหนักหนาแล้ว มันจะเป็นสติก็คิดลักนี้มือลิอ้นีื้ อ, อ, อทาเหมือนเจริญอาหารอย่างเงี้ยเจริญอาหารก็คิดอาหารได้เยอะเจริญสติก็สติมากมากก็สติมากๆมันก็ไปดับความคิดเองของเรามีมีจิตจิตเนี่ยมันสำหรับเติมความคิดความคิดที่เข้าไป เ, เป็นความคิดดีแล้วความคิดไม่ดี สติหนึ่งเป็ น, เ ป, นเป็นตัวเปิดตัวปิดว่าจะให้ความคิดดีเข้าหรือความคิดไม่ดีเข้าไปหรือให้มันเฉื่อยตัวสติเป็นตัวตัวปิดตัวเปิดเขาเรียกว่าเป็นเป็นประตูเป็นผู้เปิดประตูสติเป็นนายทวานบานว่าจะให้คนไหนเข้าไปพระราชวางังเข้าไปไม่เข้าไป ท, ที่ตัวสตินีควันหนึ่งจะให้ความคิดไม่ดีให้กิเลสตัณหาเข้าหรือให้สติเข้าไปในใจเราเนะ่ ใจเรมันเป็นว่างว่างเฉยๆถ้ารู้ลึกรู้ตัวก็เป็นสติถ้าคิดฟุ้งซ่านฟุ้งแต่งก็เป็นอคุณสมทีถ้ามันมันจําเป็นต้องคิดละ่ะก็ต้องมีสติคอยระวังระวังว่าอย่ามันคิดยาวพอคิดเสร็จปุ๊บตัดทิ้งก็ดีความคิดจกไปไม่ใช่ปล่อยให้มันพุ่งเปี่ยนคิดไปเรื่อยโดยไม่มีสติเป็นตัวระวังอันนี้มันก็เอาไปามามันมันเข้าไปอยู่นานมันจะออกลาก เอนต้นไม้เนี่ยมันงอกแล้วมันรากลงลึกไปความคิดก็เหมือนกันถ้าเราคิดปล่อยมันคิดเรื่องไหนนานๆนี่มันจะกลายเป็นความชอบเรื่องนั้นขึ้นมาแล้วเอาออกยากแต่ถ้ามีสติแล้วก็ตัดออกไปคิดรู้ตัดความคิดตัดความคิดปล่อยวางความคิดบางคนว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วสติดีขึ้นแล้วความจําจะดีนันนั่นนี่ก็ดีความคิดความอ่านปลอดโปร่งโล่งเบาสบายบางทีก็ไม่จริงนะปฏิบัติธรรมนั้นงอกเหมืนเดิมตรนี้ คือปฏิบัติทำแล้วบางทีความจําก็ไม่ดีๆอ่ะบางทีความคิดปงแต่งมันก็ไม่อยากคิดนะทำไงเหมือนเฉยเหมือนบางทีคือคนสมองแต่ก่อนได้เท่าไหร่ก็จะประมาณเท่านั้นอ่ะสมองเขาเนียมันไม่เกี่ยวว่าทําสมาธิดีแล้วสมองจะดีขึ้นพันมันมายังไงบางทีมันก็ได้ประมาณเกินเก่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกบางทีกรรมพันเรื่อที่อะไรด้วยไม่ใช่ปฏิบัติทําแล้วสมองเลื่อยๆแต่ว่า ไอ้ที่มันจะเลือดเลือก็คือมันจะไปสู่การรู้แจ้งเนี่ยเท่ากันคนสมองดีสมองไม่ดีจําไม่จําเนี่ยตัวรู้มันต่อเนื่องก็มันก็เกิดการรู้แจ้งเกิดปัญญาขึนะ้นมาคือไปสลายความคิดเพราะทุกคนมีคนดีคนเร็วคนชั่วคนจนคนฝรั่งคนอินเดียคนไทยทุกเพราะความคิดที่มีความโลภโกรธหลงปรากดอย่างนั้นเนี่ยทุกเพรความคิดเหมือนกันทุกคน ดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ต้องบอกว่าอความคิดนี่เป็นปัญหาความคิดนี่เป็นธรรมะเวลาปฏิบัติธรรมสติมันกลากิขึ้นมันมันไม่ได้ให้เราแยกแยะหรอกมันมันกระจัดของมันอมันอยู่ของมันเองมันมันหนึ่งอันไหนที่มันมันไม่ไม่ใช่สัตย์จะทำอันไหนที่มันเบียนเบียนคิดมันไล่ออกหมดแหละมันจะเหลือเต็ตัวสติล้วนอยู่ในใจเราหากมันจะคิดมันจะคิดบ้างเห็นไหม ไปขายของเนี่ยซื้อมาสิบาทตขายเท่าไหร่ดีเนี่ยขายสิบห้าบาทเขาขายสิบห้าบาทก็สิบห้าบาทคิดบ้างเลยนะแต่ว่ามันไม่ถึงกับเป็นการปรุงแต่งนีความคิดเป็นทุกแล้วถ้าปรุงแต่งก็เป็นทุกอีกถ้าปรุงแต่งลุกไม่ออกเป็นอุปทานที่ทุกก็ไปอีกนะมันฝังถ้าเลึกถ้ายิ่งวันหนึ่งหลายเรื่องสิบยี่สิบเรื่องยิ่งเอาออกไม่ได้เล ย, ยหนักกลายเป็นคนเก็บความทุกข์รายวัน อาหางเงินรายวันตัวเองเก็บความที่ตัวมาในกระโหลกรายวันเป็นทุกข์มากขึ้นมากจริง ค, ค, ความทุกข์ก็มีประมาณนั้นไม่ไดมีอะไรไมากมายแล้วต้องง่วงตอนวันต้อง่วงนะเธอตอนนี้ก็หา ง, ง่วงเช้านั่งก็ง่วงแับนอนตื่นขึ้นก็นสบายต้อสังเกตดูนะคือประมาณนั้นแหละ